คุณลำเกลืองมากี่คนครับอะส่งกันบ้านเลยได้ไดคืออยู่กี่วันรอบนี้วั น, นวันนี้วันเดียวครับเอาวันเดียวถ้าผมเดี๋ยวก็จะกลับกันกันหมดครับงั้นเชิญส่งกันบ้านครั บ, ค, รบคือตอนที่ดูากายเนี่ยนะฮะมันก็เบาไม่มีอะไรนะครับทีนี้พอตอน เข้ามาดูจิตเนี่ยฮะมันบางทีมันชอบจับแรงไปฮะมันเป๊ะเข้ามาที่ไอ้ตรงมันเหมือนมันมันจะเอาตำแหน่งนะฮะเป๊ะเข้ามาเข้ามาตรงเนี้มันบางทีมันก็รู้นะฮะแต่ว่ามันอืมมันมันไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนาะแต่ว่ามันมันก็เป็นฮะบางทีคือจริงๆแล้วการดูจิตนีเวลาที่ใจเราไหลไปเหลอไปนะเช่นเราหลงไปคิดเนี้ย พอเรารู้ทันว่าหลงไปคิดเนี่ยถ้าไม่ไปทําอะไรเพิ่มเลยมันจะพอดีงั้นเวลาที่เราเห็นสภาวะรมแล้วเราไม่ทําอะไรเพิ่มนะมันจะพอดีของมันเองอย่างเวลาที่จิตไหลไปคิดจิตส่งออกนอกตรงที่รู้ว่าออกไปคิดเนี่ยจิตรู้แล้วเป็นกลางถ้าจากนั้นเรากลัวออกนอกเราจะเพ่งกลับเข้าข้างในอันนี้จิตส่งในนี่พอ ไม่ส่งนอกก็กลายเป็นส่งในครับนี่ทำยังไงมันจะรู้แล้วจบลงที่รู้ได้อันนี้ยากทำไม่ได้ไอ้ที่พอดีพอดีเนี่ยน ะ, ะพอดี <มา S 2> ทำไม่ได้แต่ให้รู้ตรงที่เกิดพอดีเดี๋ยวก็ส่งนอกเดี๋ยวก็ส่งในรเราอย่าไปยินดีกับการส่งในก็แล้วกันแล้วก็อย่าไปยินร้ายมันเข้ามาแล้วไม่ชอบให้รู้ลูกเดียวเลยคือแค่รู้ว่าส่งเข้ามาข้างในก็พอแล้วพอแล้ว ขณะที่ส่งออกนอกรู้ว่าส่งออกนอกนะพอดีแล้วขณะที่ส่งในรู้ว่าส่งในก็พอดีแล้วน <c oughs> ั้นจุดแห่งความพอดีก็คือจุดที่รู้ตรงความเป็นจริงตรงที่รู้รตาม<จ>หลังตรงที่รู้ตามหลังออกไปใช่ ใ, ชในขณะที่ถัดกันส่งนอกอยู่ขณะถัดมาที่รู้ว่าออกนอกขณะนั้นจะพอดีครับขณะนั้นจะไม่ปรุงไม่แต่งอะไรมันสักว่ารู้สักว่าเห็นขึ้นมาแต่มื่อมันอยู่ชั่วงขณะท่าน เสร็จแล้วมันก็ดับไปจิตใจที่มันกลัวไม่ดีมันจะเพ่งกลับหรือจิตใจที่มันอยากเสวยอารมณ์ภายนอกนั้นส่งออกนอกมีความอยากหนุนหลังนี่ให้เรารู้ลูกเดียวเลยเรนะาจะเห็นได้ขณะที่รู้แทๆ้ๆนะช่วงช่วแวบเดียวอันะนั้นถูกต้องแต่ขณะนั้นเรารักษาไว้ไม่ได้เรนะนะาจะเห็นเดี๋ยวก็ไปข้างนอกเดี๋ยวก็รู้สึกแวบเดียวเข้าข้างในละ่ะ เพราะเคยชิน <ขอ S 2> ที่จะบงังคับตัวเองบางทีมันมันมีความพอรู้ว่าส่งในมันก็ไม่อยากนิดๆ น, นะมันก็มีมันก็มีตรงบางทีก็หนีไปอยู่กับความว่างข้างนอก<ข>อส่งนอกนะ<ข> อ, อย่างที่อาจารย์ที่เคยสอ น, นอจีตไปอยู่ข้างนอกอยู่กับความว่างภายนอกแต่อันนี้ไม่ค่อยเป็นครับอ่ไม่เป็ น, อ, ป น, นอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเข้าไปนิ่งอยู่ข้างใน ไม่ส่งนอกก็ส่งในครับให้เรารู้จิตส่งนอกก็รู้จิตส่งในก็รู้ขณะที่รู้นั่นแหละไม่ส่งนอกไม่ส่งในพอดีแต่ความพอดีเนี่ยมันเกิดเองจงใจให้พอดีไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราโลภะเกิดอยากปฏิบัติอยากจะดีปั๊บเสียเลยใช่ต้งใจถึงถึงก่<ๆ>ก็จะเห็นเลยเดี๋ยวเขาไปข้างนอกเดี๋ยวเขาก็รู้สึกเดี๋ยวเขาข้างในนะ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกๆสภาวะนี้เสมอภาคกันเราไม่ใช่ว่าชอบอันนึ่งเกลียดอันนึงถ้ายังชอบอันหนึ่งเกลียดอันนึงใจจะปรุงแต่งไม่เลิกยังประคองอยู่ใช่คือสงสัยถึงว่าตัวเองไปดูใจดูดูถูกหรือผิดนะคะแต่พอมาฟังจากท่านว่า เ, เมื่อเมื่อไปจับหลงได้ในขณะนั้นก็คือก็คือเป็นกลางใช่ไหมฮะมอมพ อ, อะไรนะพอดีอะ่ะใช่ไหคะคือถ้าเรารู้สภาวะถูกต้องนะตาม ค, ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันพอดีอยู่ในขนาดนั้นแล้วนนแต่ใจเราเนี่ยมันไม่พอใจแค่นั้นมันอยากจะให้พอดีนานๆมันก็เลยไปทําอะไรขึ้นมาหนึ่งต้องใจถึงถึงน ะ, ะอยากกลัวหลง แล้วก็ถ้าไปเพ่งอยู่ก็รู้ทันถ้าจิตไปติดไปข้องอะไรอยู่ก็คอยรู้ทันเอานี่นักปฏิบัติเนี่ยส่วนมากจะไปสร้างสภาวะอันใดนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปติดอยู่กับสภาวะนั้นแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าอยู่กับสภาวะนี้นานๆแล้วจะได้มากผลนิพพานอย่างพวกเราเคยไปอยู่กับความว่างไปสร้างขึ้นมาบางคนก็ไปสร้า ง, างไว้ข้างในนะบางคนไปสร้างข้างนอกสร้างอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเกิดตื่น จิตมันไปเกิดตื้นมันไม่ยอมไปไหนต่อพ อ, พ อ, พอัท่านพูดท่านบอกความพอดีอยู่ตรงไหนนะคะประกับเข้ามาก็ดูก็เลยเห็นความพอดีตรงนั้นก็รู้สึกปีติขึ้นมาความพอดีอยู่ตรงรู้นั่นแหล ะ, ค, ะความพอดีอยู่ตรงที่รู้สภาวะธรรมถูกต้องเป็นปัจจุบันนั่นเองแต่ความพอดีนี้ก็รักษาไว้ไม่ได้ทําขึ้นมาก็ไม่ได้ถ้าทําขึ้นมามันจะเป็นการเพ่ง เพราะว่าที่ที่ทำมาก็พยายามพอกลับเข้าไปเนี่ยพยายามจะจะจับจ้องซึ่งมันก็เป็นการทำเอาเองเ อ, ยอย่าไปจ้องอย่าไปทําถ้าทําขึ้นมาก็ไม่ใช่เป็นกลางหลวงปู่เทศเคยสอนนะไม่ส่งนอกไม่ส่งในเดิมหลวงปู่ดุลรุ่นก่อนหลวงปูดด่เทศนะบอกอย่าส่งขีดออกนอกหลวงพ่อเองไปเรียนอย่างหลวงปู่ดุลบอกไม่ส่งนอกเราส่งในส่งในนะวันนึ่งไปเจอหลวงปู่สิม หลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมานอ ก, น, อกนี่ฟังแล้วงงนะแต่หลวงปู่ศิมท่านไม่ไม่อธิบายท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอ ก, น, อกนี่กิเลสมันอยูนอ่นอกนี่เราไม่รู้หรอกว่าการเข้าไปเพ่งไปจ้องคือการทํางานการปรุงแต่งฝ่ายดีต่อมาไปกราบหลวงปู่เทศนะท่านก็เลยสอนไม่ส่งนอกไม่ส่งในเป็นกลางๆงไว้เราได้ยินคําว่าเป็นกลางๆไว้ก็ไปหาทางประคองให้เป็นกลางอีก เห็น ไ, ไหมมันโง่สุดๆเลยนะเมือนไม่ใช่ใคอรอ่ะมันนี่แหละมันหาทางทําไปเรื่อยๆกว่าจะเข้าใจว่าจริงๆไม่ทําอะไรถ้าไม่ทําอะไรนะก็พอดีของเขาเองถ้าทําขึ้นมาเนี่ยตัญหามันเกิดก่อนมันอยากนะอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ใจก็ไปทําขึ้นมาใจไปทําขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปติดไปข้องอยู่ในภาวะที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ภูมิ อ, อกภูมิใจนะ รู้สึกโอ้เราดีนะเราดีนะอย่ารู้สึกอย่างนี้คือมีโอกาสได้พบท่านวันนี้ครั้งเดียวเราก็จะกลับแล้วเราก็อยากจะเรียนให้ท่านช่วยี้แนะว่าท่านควรจะทำยังไงต่อไปในขณะนี้ค่ะก็มีข้อวัดแม่อันหนึ่งนะมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมของเราแต่ละคนะนะ่ะเลือกดูเอากายเวทนาจิตธรรมอะไรอย่างไดอย่างหนึ่งก็ได้ที่อยู่แล้วสบาย บางคนอยู่กับพุโทโธสบายบางคนอยู่กับลมหายใจสบายบางคนดูท้องพองยุบแล้วสบายอะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆแล้วก็เราก็ค่อยรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะมันจะได้ไม่ไปตรึงของโยมมันตรึงมากไปมันตรึงความรู้สึกมากไปนะคลายออกไซที่ตรึงไว้แล้วก็รู้เล่นๆรู้สึกไหม บ, บังคับ เออเลิกซะบังคับไว้นะมันก็ได้เป็นคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่นิพพานหรอกจิตใจไม่เป็นอิสระให้จิตใจถูกบังคับอยู่จิตใจจะเป็นอิสระได้ยังไง <Okay. S 2> แต่ว่าเราคอยรู้กายคอยรู้ใจจนปัญญามันแจ้งนะมันรู้แจ้งแทงตลอดเลยทั้งกายทั้งใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเป็นของไม่เที่ยงมีความทุกข์เสียดแทงบีบคั้นตลอดเวลาไม่ใช่เราเลยทั้งกายทั้งใจดูลงไปเรื่อยๆ อย่างนี้จิตอย่างนี้หลงไปแล้วนะอย่างเนี้ยนี่หลงไปดูล้นะอย่าถล้ำเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจมันเคลื่อนไป <c laim> เคลื่อนอ่าให้รู้ทันใจที่เคลื่อนค่ะ <c laim> แต่ว่าไม่ใช่ไปตรึงไม่ให้เคลื่อนค่ะ <c laim> แต่เคลื่อนแล้วรู้ทันเคลื่อนแล้วรู้ทันไปฝึกตรงนี้นะค่ะ <c laim> แล้วมาส่งกันบ้านใจเคลื่อนแล้วรู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยเคลื่อนแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเคลื่อนไปที่ทันนะมันเคลื่อนแล้วให้รู้ทันมันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ ดูไปจนเห็นเลยมันทํางานได้เองรู้สึกไหมจิตตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วไม่ค่ะเนี่ยจิตเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วแม้แค่เรารู้ทันตามความเป็นจริงนะรู้สภาวะตามความเป็นจริงจิตก็จะตื่นขึ้นมาจิตก็สักว่ารู้สักว่าเห็นได้เนี่ยเคลื่อนแล้วทราบไหมตัวนี้เคลื่อนเคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปดูที่กายไม่เอาสิ <laughs> <laughs> ให้รู้ว่าจิตเคลื่อนไปไม่ใช่ให้รู้กายาให้รู้ให้รู้ว่าจิตเคลื่อน จิตมันส่งอ่ะจิตส่งนอกจิตส่งในจิตส่งไปทางไหนให้รู้ทันมันอจําได้ไหมให้พักพวกช่วยจําด้วยนะนจิตจะส่งนอกจิตจะส่งในนะมันจะเคลื่อนไปทางไหนก็รู้ทันมันไปเรื่อยๆนะในส่วนจิตมันจะเราจะเห็นเลยมันจะไปข้างนอกมันจะไปข้างในเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเคลื่อนของมันได้เองนะไม่ใช่ฝึกไม่ให้เคลื่อนนะพักพวกช่วยจํำหน่อยนะช่วยๆกันช่วยจําให้ จำคนเดียวเดี๋ยจําไม่ไหวค่ะอ้าต่อไปหลวงพ่อคะโยมไปไปคอยคิดแต่ว่าจะส่งกันบ้านหลวงพ่อยังไงถ้าหลวงพ่อถามโยมจะตอบยังไงโยมไม่ทราบว่าตัวเองไปติดสงสัยสงสัยเอ๊ะตอนนี้จิตเป็นไงเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะอก็ยังดีที่รู้นะะแต่ว่าที่โยมเตรียมคําตอบไม่แปลกเพราะเตรียมทุกคนแหละอย่างน้อยท่าถูกถามต้องตอบได้ค คนก็ไปแต่งคําพูดไปนะจะต้องไม่มีคําว่าพยายามนี่คำนี้ต้องไม่ให้หลุดน ะ, ะถ้าหลุดแล้วตกใจเลยนลยโยมก็ก็ไปทําอย่างนี้อีก <c oughs> ปกติจะฟังซีดีหลวงพ่อตลอดเวลาอยู่ที่บ้านเชียงใหม่เลค่ะคราวนี้เราเอ๊ะเราพึ่งหลวงพ่อมากไปลองลองทําเอง <c oughs> พอปิดซีดีหลวงพ่อเอาละค่ะ <c oughs> แล้วก็ไปปักที่อก แล้วดูว่าจิตมันเป็นอย่างงุ่นเป็นอย่างนี้บางทีมันเป็นปุยนุ่นบางทีก็กลายเป็นเสมหะ <c oughs> บีบู่บู่อะไรอย่างเงี้ยคะรู้สึกทําไมต้องพึ่งหลวงพ่อตลอดต้องพึ่งเสียงหลวงพ่อ อ, <c oughs> อย่างต้องพึ่งก็พึ่งไปก่อนเนี่ยโยมเบอร์หกสิบอะใจไหลอีกแล้วดูออกไหมคนโบราณเก่งนะบัญญัติศัพท์มาหลงไหล มันลงแล้วมันไหลไปนะบางทีมันก็ไหลไปหลงนี่ยเนี่ยมันไหลไปแล้วทราบไหม <c oughs> ให้รู้ทันไม่ใช่ให้ทําอะไรให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ให้ไปดัดแปลงรู้ลงมาเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงรู้ลงในกายเพื่อให้เห็นความจริงของกายรู้ลงในใจเพื่อให้เห็นความจริงของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก งั้นเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรนะแต่ภาวนานะสู้กับความไม่รู้ของเราเองสู้กับความไม่เข้าใจความโง่องของเรานั่นแหละเราเห็นว่ากายกับใจเป็นตัวเราก็เลยอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบก็ อ, อยากให้มันดีอยากให้สุขให้สงบก็พยายามทําสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาบางคนเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ภายนอกที่เพลิดเพลินพอใจจิตใจจะได้มีความสุข บางคนนั่งทำกรรมฐานเพ่งเข้าไปข้างในเพ่งโน่น ôn, เพ่งนี่หวังว่าจะมีความสุขที่แ้นั้นอย่างปรุงแต่งทั้งหมดเลยให้เรามาคอยรู้ลงในกายรู้ลงในใจนี้จนเห็นความจริงของเขาว่ามันไม่ใช่ตัวเราทํางานได้เองคําว่าสติสติก็คือเราคอยรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจถ้าไม่อใดขาดสติเราไม่รู้ถึงความมีอยู่ของกายและใจกายกระใจจะหายไป เมื่อไหรมีสติก็จะรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจนี่คนในโลกนี่มันชอบลืมกายลืมใจขาดสตินั่นึองนี่เราค่อยๆพัฒนาสติค่อยรู้สึกกายค่อยรู้สึกใจเรื่อยๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของเขาเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของเขาเนืองๆอย่าไปเพ่งใส่เขาอย่าไปเพ่งใส่กายอย่าไปเพ่งใส่ใจให้สักว่ารู้สักว่าเห็นการมีอยู่ของเขา เราเป็นคนดูอยู่ห่างเรียกว่าจิตของเราตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิพาจิตใจเราตั้งมั่นเป็นคนรู้กายเป็นคนรู้ใจมันก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจความเป็นจริงเขาคือเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาตรงที่รู้ไปเรื่อยๆจนใจเป็นเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา เห็นความเป็นจริงของกายของใจมันจะวางหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจก็ขเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่แท้จริงเพราะงั้นเบื้องต้นนะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจพอเรารู้สึกแล้วอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องให้แค่รู้สึกใจเราอยู่ห่างๆเป็นแค่คนดูดูกายเขาทางานไปดูจิตใจเขาทํางานไปแต่อย่าจงใจดูนะคุณดําเกลงกับคุณโยมเบอร์60นะ โจงใจไปดูแลถลําลงไปละใจมันไม่ตั้งมั่นถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดต้องจำไว้นะปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิไม่ใช่ชานสมาบัติอะไรนั้นหรอกมันคือการที่จิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้นี่ตรงตั้งมั่นก็อย่าตั้งจนแข็งนะเบอร์หมากไปนะมากไปตั้งแรงไป สร้างโยนแข็งไปแล้วนะตั้งสบายบายจิตอ่อนโยนจิตเบาจิตจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวจิตควรแก่การงานจิตใจที่สบายสบยจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานปลอดโปร่งนะรู้ไปอย่างสบายสายแล้วก็มีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของใจมีสัมมาสมาธิคือใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูกายเป็นแค่คนดูใจ ปัญญาจะเกิดมันจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจะเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงตรงที่เห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิปัสสนาตรงที่รู้นะว่ามันเป็นยังไงเข้าใจมันเข้าใจเข้าใจนี่เป็นตัวปัญญาที่จริงจะปล่อยวางก็เพราะตัวปัญญานี้เบอร์หกเยอะไปเยอะไปถลําลงไปดูแล้วดูออกไหมใจไหล ใจที่ไหลลงไปดูเนี่ยคือใจที่ขาดสัมมาสมาธินะแต่เป็นใจที่มีมิจฉาสมาธิใจไหลลงไปแช่เหมือนที่พวกเราแต่ก่อนไปอยู่กับความว่างนั่นเป็นมิจฉาสมาธิใจมันไหลเข้าไปอยู่ในความว่างแต่ถ้าใจมันสักแต่เห็นความว่างใจอยู่ต่างหากเป็นตัวของตัวเองอยู่นั่นนั่นเป็นตัวสัมมาสมาธิพวกเราต้องแยกให้ออกนะสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิถ้าแยกไม่ออกเราจะทามิจฉาสมาธิ นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำมิจฉาสมาธิรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมรู้ท้องผองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่กับเท้ารู้อิริยาบถสีเพ่งมันทั้งตัวเลยจนะิมจะไหลไปตลอดถ้าจิตเราไหลไปนะจิตเข้าไปแช่ในอารมณ์แดนหนึ่งไม่ใช่สัมมาสมาธิจะทำวิปัสสนาไม่ได้จเจริญปัญญาไม่ได้เนี่ยเบอร์หจิตไหลเข้าไปแล้วทราบไหม หลวงพ่อถึงฝอนให้ดูตัวนี้ถ้าดูตัวนี้ไม่ได้นะยังทำมิปั ส, สนาแท้ๆไม่ได้มันจะเป็นการเพ่งทั้งหมดเลยจะเป็นการเพ่งอารมณ์เรื่องอารามณูกนิชฌานได้สมถะนะเนี่ยใจไปเที่ยวค้นหาแล้วทราบไหมอ่าใจไปเที่ยวค้นหารู้ว่าใจไปค้นหาพอมาหาแล้วมันเจออะไรถูกถูกใจมันจะไปจ้องใส่วคราวนี้มันจะนิ่งๆอย่างนะั้น จะเห็นเลยทุกอย่างเป็นใตรักยกเว้นจิตที่ไปรู้นี่ไม่เป็นใจรักจิตที่เป็นผู้รู้กลายเป็นผู้เที่ยงอยู่อย่างนั้นเราย่งเห็นสิ่งบางสิ่งเที่ยงอยู่ในขั้นห้านี่สักยัติที่จะไม่ขาดตัวสัมมาสมาธินี่ก็อันเดียวกับตัวเอโกทิภาวะใ ช, ใช่คือเอโกทิภาวะพวกเราเรียนเรื่องสมาธินะเราเรียนองค์ฌานต่างๆ เราไปเรียนแบบอภิธรรมเราไม่ได้เรียนแบบพระสูตรองค์ธรรมของสมาธิแต่ละชั้นแต่ละชั้นใช่มมีวิตกวิจารปิติสุเกกคตาอะไรเนี่ยเรียนอย่างอภิธรรมในพระสูตรไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในพระสูตรเนี่ยในสูตรที่สอในทุติยฌานฌานที่สอง่ะมีเอโกทิภาวะนี่นักปฏิบัติเนี่ยภาวนาจนเกิดเอโกทิภาวะขึ้นมาเกิดตัวสัมมาสมาธิแท้ๆขึ้นมา ทำไมต้องเป็นฌานที่สองก่อนถึงจะเกิดเอก้ที่พาวะเพราะฌานที่หนึ่งยังมีวิตกวิจารอยู่รับใดยังมีวิตกวิจาร์อยู่นะจิตยังไม่เป็นาธาตุรู้ออกมาหรอกเชิญต่อเชิญเบอร์หกไปหามันอีกแล้วสงใจไปเที่ยวแสวงหามันโยมก็ยังส่งจิตออกนอกอยู่บ่อยๆจ้ะค่ะแล้วก็พอรู้ตัวขึ้นมาก็ก็ เเ้ า, าเอาไว้มอย่าไปเฝ้ามันชีดออกนอกก็ไม่ดีนะไปเฝ้าวไว้ก็ไม่ดีชีส่งออกนอกก็หลงตามกิเลสไปไปเฝ้าวไว้ก็ไปบังคับตัวเองเป็นความสุดตรงสองด้านเป็นความสุดต่งสองด้านให้รู้ทันนะรู้ทันได้ก็ดีแล้วเวลาเราภาวนาถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราก็มาสำรวจตัวเองว่าจิตเราไปติดไปคล้องอะไรไหม ไปสำรวจตัวเองเรื่อยๆบางคนก็ไปสร้างพบเพื่นอนันหนึ่งแล้วก็ไปค้างอยู่ในพบนั้นว่างๆบางคนภาวนาสังเกตไมไม่ต้องบางคนทุกคนเราจะมีความรู้สึกลึกๆนะทำยังไงถึงจะดีทำยังไงถึงจะถูกรู้สึกไหม <c oughs> ทำยังไงถึงจะดีทำยงไงถึงจะถูกท่านไม่ได้ให้ทำนะท่านให้รู้แต่ว่าใจของเราอดคำว่าทำไม่ได้ เราคิดถ <elet> ึงการว่าทำนะไม่บังคับกายก็บังคับใจมีเท่านั้นเองถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจแต่ถ้าเราคิดถึงแค่คําว่ารู้นะเราจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นนะให้คอยรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยขยับกระเยืองเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ห้ามเขาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเช่นเขาไหลเข้าไปเนี่ยเบอร์หกมันเข้าไปแล้วรู้สึกไหมไหลเข้าไป เขาเป็นยังไงเขาไหลเข้าไปเราก็รู้ว่าเขาไหลไปนะให้รู้ทันเราพอรู้ทันใจก็จะตื่นขึ้นมาชั่วขณะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมาเราจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเรานะนั้นเราภาวนาต้องตั้งหลักให้แม่นๆเป้าหมายแรกที่เราจะต้องไปสู่มันก็คือการเห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเรานะถ้าผ่านเป้าหมายนี้แล้วเนเป้าหมายต่อๆไป ก็จะไปได้เป้าหมายที่4คือการเป็นพระอรหันต์นั่นเองจะต้องรู้แจ้งอริยสัจเป้าหมายที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ต้องรู้แจ้งอริยสัจต้องให้รู้ลงในกายในใจแล้วเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเป้าหมายที่หนึ่งเลยถ้าเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราได้พระโสดาบันนี่บางคนเรียนข้ามขั้นนะหลวงพ่อเคยได้ยินบ่อยๆไปถามทํายังไงจะละกามได้เอาไว้ให้พระนาคาท่านถาม ใ ห, ให้ให้คนที่เดินอนาคตมีมากเขาถามนะของเราทํำยังไงจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เรานะใจเราเป็นคนดูนะดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเขาทํางานเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่าไปบังคับเขาตามรู้ตามดูจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งมันไม่มีเราความโกรธก็ไม่ใช่เราความโลภก็ไม่ใช่เราพวกเราดูออกแล้วใช่ไหม ความกรดความโลบความลงไม่ใช่เราลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆนะดูไปเป็นวั น, นมันตัดจริงๆมันมีกระบวนการของการเกิดอริยมรคนะเราอย่าไปนึกเอาเองว่าเอาละดูมาแค่นี้พอสมควรแล้วตัดแล้ว <laughs> อย่านึ้เอาเองนะกระบวนการแห่งการเกิดอริยมรคมีอยู่คุณดาเกิงหนีไปล้ว เอาไปถึงไหนแล้วเอาคนเชียงใหม่ก่อนนะคนเชียงใหม่นะหน่อยเหลือกี่คนอุตสาห์มามาด้วันเดียวมาวันเดียวไม่ค่อยได้เรื่องหรอกนั่งรถมาก็เหนื่อยแล้วเอาว่าไปจิตก็ยังแข็งแข็งอยู่ค่ะมีเป็นช่วงๆที่บางทีก็มีการเกรงก็ขอหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยค่ะเปนเกรงเหรอ<ะ>เกรงก็รู้นะอย่าอยากหายเกรง จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นท่องไว้นะประโยคนี้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆนั้นจิตเกรงจิตเกรงก็คือจิตมันมีอาการเกรงเราก็รู้ว่ามันเกรงไปอย่าอยากหายเกรงถ้าอยากหายเกรงใจจะดิ้นรนใจจะทํางานใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาถ้ามันเกรงศักแต่ว่ารู้สักดว่าเห็นนะก็จะเห็นในจิตมันเกรงของมันเองเราไม่ได้เกรงนะ ดูได้ไหมจิตมันเกรงของมันเองเนี่ยดูไปเรื่อยๆจนเราเห็นมันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกทําไมหลวงพ่อย้ํานะวนไปวนมาแต่เรื่องกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเพราะพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้เนี่ยเป็นปุถุชนหน้าที่ของปุถุชนเนี่ยมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจจนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราถ้าวันใดเห็นกายกับใจไม่ใช่ตัวเราอย่างแท้จริงนะได้พระโสดาบันลนะ้ปลอดภัย ปลอดภัยละก็จะมีความทุกข์แต่ทุกข์น้อยลงหน่อยหนึ่งนิดหน่อยนะก็โสดาบันก็ยังทุกข์เยอะนะ <c oughs> ละลากิเลสอะไรไม่ได้ละได้ความเห็นผิดเท่านั้นเองเราคอยรู้มากๆรู้ไปใจลอยแล้วทราบไหมใจลอยไปมันลืมตัวเองนี่พอจะไม่ให้ใจลอยไปก็ไปเพ่งไว้มันสุดตรงสองข้างเนี่ยเราเลยไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นได้เพราะใจลอยไปมันไม่รู้กายรู้ใจ ไปเพ่งไว้กายก็แข็งใจก็แข็งมันไม่ใช่หลักที่ว่ากายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นงไง ร, รู้ว่าเป็นงั้นแต่ไปทําจนมันแข็งขึ้นมาค่รู้ไปนะเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งก็ดีแล้วค่อยเดือเบอร์หกสิบทำอะไรเบอร์หกสิบคุณดาเกิงก็อย่าไปสังเกตมันเยอะก็ให้ก็ได้มาฟังหลวงพ่อนะฮะแล้วก็ไปรู้สึกไหมจิตไม่เหมือนเมื่อก่อน ดีแล้วดีแล้วใครรู้ไปเรื่อยๆหลวงพ่อชอบมากเลยนะรูปสิทธิ์ทีมเนี้ยถึงจะอาวุโสกว่าหลวงพ่อนะสมากแต่น่ารักน่ารักมากเลยแต่ละคนแต่ละคนเนี้ยมุ่งอัดมุ่งทำอย่างแท้จริงนะไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเลยเราะพระพุทธเจ้าสอนนะบอกคนที่มาศึกษาธรรมะเมื่อแก่เนี่ยที่จะเชื่อฟังง่ายๆนหายากนะ แกแล้วมากอย่าหัวแข็งไม่ใช่แค่กระดูกแข็งข้อแข็งนะหัวแข็งแต่พวกเราไม่มีเลยพวกเราใจของพวกเราอ่อนเดอยวาธรรมะนะดีมากเลยแล้วพวกเราภาวนาจริงๆไม่ได้ภาวนาหยอหยอแยะแยะแต่ละคนนะทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแลกมาละคนภาวนาต้องใจถึงถึงอย่างนี้บางคนทําหยอหยอแยะแยะพวกเด็กๆอะ มาเชี่ยวยังดีนะดีกว่าไม่ทําเลยเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อว่าพวกเด็กๆก <c> ็ <oughs> <c oughs> ดีกว่าไม่ทําเลยมันทําแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ทํานะยึกยักยึกยั ก, ย ก, ยกจริงจงการภาวนามต้องเด็ดเดี่ยวอย่างที่พวกทีมเชียงใหม่ทํานี่เด็ดเดี่ยวใช้ได้เลย <c oughs> นี้ให้หลักให้มันแม่นให้รู้กายให้รู้ใจไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยเรืถ้าหลักนี้แม่ น, น้ะมันจะเดินไปได้เอง <c oughs> แล้วก็แต่ละวันก็สํารวจใจเราเราไปติดไปข้องอะไรบ้าง มีอยู่เจอย่างที่จะไปติดไปคล้องนะรพระพุทธเจ้าบอกติดฝั่งนี้ติดฝั่งโ น, น้นะนะท่านเทียบจิตใจของเราที่ไหลไปในน้ําจิตใจเหมือนเหมือนไม้นะไหลในแม่น้ํำคงคานะกระแสน้ําที่ไหลไปคือตัวสั ม, มาธิจฐิคือการที่เรารู้หลักของการปฏิบัติถ้ารู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยจิตจะโน้มน้อมไปสู่นิพพานโดยอัตโนมัติ ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นวันหนึ่งพวกเราจะนิพพานถ้ามีคำ ว, ว่าท่าถ้าไม่ไปจิตติดไม้ท่อนนี้ไม่ไปติดเจ็ดสิ่งติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาไม่ไปถูกคนจับไว้ไม่ไปถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไม่ถูกอมนุษย์จับนะไม่ไปเกยตื้นนะไม่ไปถูกน้าวนไว้ไม่เน่าใน ครบไหมติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาก็คืออะไรติดอยู่ภายในติดอยู่ภายนอกติดอายตนะภายในติดอายตนะภายนอกติดธรรมที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายเช่นติดสุขติดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วเนี่ยเรียกว่าติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปเรื่อยๆไปเกิดตื้นคือไปสร้างภพขึ้นมาหนึ่งแล้วพวกเราก็ไปเกิดอย่างที่พวกเราไปเกิดเกยภพของความว่างมาแล้วนั่น น่ไปเกิดตื้นอยู่หมายถึงว่าไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ตรงนี้แล้วนึกว่านิพพานนึกว่าออกทะเลแล้วนะที่แท้เกิดตื้นอยู่นะไม่ถูกมนุษย์จับไว้พวกเราต้องระวังนะพวกเราเป็นกลุ่มนุษย์ที่รวมกันไปอย่าห่วงกันไปห่วงกันมาเราไปภาวนาเราไปศึกษาด้วยกันจะอย่าห่วงกันนะใครเดินได้เร็วๆไปเลยอย่ารอกันไม่ต้องรอรีบไปเดี๋ยวเพื่อนตามไม่ทันไม่ต้องห่วงนะหรือบางคนห่วงมากไม่ภาวนาห่วงคนอื่นอยากให้เขามาภาวนาหลายคนนะ มาหาหลวงพ่อทำไงลูกจะปฏิบัติตัวเอ ง, งไม่ปฏิบัติหรือห่วงลูกกลัวลูกไม่ปฏิบัติห่วงคนอื่นนี่เรียกถูกมนุษย์จับไว้ถูกอมนุษย์จับไว้นะบางคนอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงเนี่ยหรือภาวนาเพื่อหวังลาบสั ก, การะคนทุกวันนี้มีความทุกข์เยอะใช่ไหมแใครแสดงตัวเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนะนำนะเรามีอะไรก็ทูลหัวทูลกล้าให้เขา นี่ราบยศสารเสริญหลายคนไปภาวนาแล้วไปติดสิ่งพวกนี้นะหรือไปภูมิใจฉันมีศีลที่ดีกว่าคนอื่นฉันมีสมาธิที่ดีกว่าคนอื่นเนี่ยถูกอามนุษย์จับไว้ละนะภูมิใจกูมีศีลมึงไม่มีกูดีกว่ามึงตั้งเยอะแน่เนี่ยนะอามนุษย์มันจับเอาไวนะ้ถูกน้ําวนก็คือลงอยู่ในกามลงแต่ความเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะวันวันสแสวงหาแต่ความสุขพวกนี้มันไม่นิพพานหรอก ถึงจะรู้หลักก็ไม่นิพพานนะรู้ว่ารู้กายรู้ใจนะแต่รู้ไปด้วยนะก็หลงไปด้วยเพลิดเพลินไปด้วยพวกเด็กๆต้องระวังตัวนี้นะพวกเด็กๆยังหลงเพลิดเพลิน อ, อยู่กับโลกมันนิพพานช้านิพพานยากนะอีกพวกหนึ่งเน่าในพวกเน่าในคือพวกทุศีลพวกศีลด่างพร้อยนะสําคัญนะถ้าศีลด่างพร้อยเนะี่ยใจไม่ตั้งมั่นสัมสมาธิไม่มีหรอกจะได้แต่มิจฉาสมาธิเท่านั้นนะ ถ้าเราสํารวจตัวเองนะเราไม่ไปติดไปคล้องเจ็ดสิ่งนี้เจดสิ่งนี้เราไม่ติดในข้องเรารู้กายเรารู้ใจเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะถูกสัมมาทิจจิพัดพาไปสู่นิพพานไปสู่มหาสมุทรเองไปเองไม่ต้องพามันไปนะท่านเทียบจิตเหมือนไม้ลอยน้ํานะท่านไม่ได้เทียบเหมือนเรือไม่ต้องขึ้นไปนั่งแล้วไปช่วยมันพาย ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผล น, นิพพานได้จําไว้เลยนะหลวงพ่อกล้ายัานเลยไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตเขาบรรลุของเขาเองถ้าเขาไม่ไปติดเจดอย่างนั้นแล้วเขาก็คอยรู้กายเขาคอยรู้ใจของเขาไปเรื่อยๆอย่าลืมกายอย่าลืมใจเรียกว่ามีสติรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกของความมีอยู่ของใจเรียกมีสติกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่า ง, งานั้น น, างงา น, นี่เรียกว่าเจริญปัญญา จนกระทั่งรู้ความจริงของกายของใจมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยตัวปัญญาแท้ๆเกิดขึ้นจิตจะวางความเห็นผิดไปทำลายความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้พระโสดาบันรู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนกระทั่งจิตเห็นแจ้งเลยกลายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยมันทุกข์ล้วนๆเลยมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นเสียดแทงมันไม่ใช่ตัวเราจะเห็นหกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเล นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจิตจะหมดความยึดถือกายได้พระอน า, าคามีถ้าหมดความยึดถือกายมันจะไม่ยึดในกามแล้วกามและปฏิฆาจะไม่มีถัดจากนั้นการปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาที่จิตแล้วจะมารู้อยู่ที่จิตผู้รู้นี่จนเห็นแจ้งนะจิตนี้ไม่ใช่เราหรอกนะอันนี้เห็นมาก่อนแล้วและก็หมดความยึดถือจิตไปสลัดคืนจิตให้โลกไป ตรงที่สลัดคืนเนี่ยปฏิทินิสักฆะการสลัดคืนคืนขันให้โลกไปขันสุดท้ายที่จะสลัดได้คือจิตนั่นเองตรงที่สลัดคืนจิตให้โลกไปเนี่ยมันจะเข้าถึงธรรมที่สงบสันติสว่างสวัยรุ่งเรืองอยู่อย่างนั้นเองจิตจะมีแต่ความสุขล้วนๆจิตกว้างขวางไรขอบไรเขตนะภาษาแขกเรียกว่ามวิมาริยาที่กัดนี่อุตสาจํา <laughs> เรียกยากชะมัดเลย <laughs> ค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปเดี๋ยวค่อยมาต่อนะเชิญพวกเราไปตานข้าวไปนิมนต์ครับองคไหนจะฉันนิมนต์